มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นโฮสเทสพนะักงานต้อนรับบนเครื่องบินเรววาเมื่อสามสี่วันก่อนบินไปออสเตรเลียถึงแล้วยังไม่ทันจะลงจากเครื่องบินก็มีคำสั่งบอกว่าว่า ให้บินกลับทันทีกลับมาเมืองไทยด้วยเครื่องบินลำเดียวกับที่บินมาก็แสดงว่ามีเหตุด่วนแต่เขาก็ไม่ได้แจ้งว่ามีเหตุอะไรก็เลยให้กัปตันติดต่อไปทางเมืองไทยว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทางนั้นก็แจ้งมาว่าสามีของเธอก็เกิดเป็นเกิดล้มฟุกขึ้นมาเสร็จแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็แต่กำชับ ก, กัปตันว่าอย่าเพิ่งไปไปบอกให้ พนักงานคนนั้นรู้ทางนน้นก็พูดมาโดยที่ไม่รู้ว่ากับตันนี่แกเปิดสปีคเกอร์คือเปิดลำโพงเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานคนนั้นก็ได้ยินตลอดนะ ว, ว่าทางกรุงเทพพูดอะไรก็คือรู้ว่าสามียงเธอเสียชีวิตแล้ว กระทนหันแต่ว่าเธอบอกว่ามันก็มันเป็นข่าวที่ไม่คาดฝันนะแต่ว่าเราบอกว่าใจนี่มันไม่ถึงกับยำแย่ก็รับรู้นะเรื่องที่มากระทนหานตัวที่ไม่ได้ เสียศูนย์หรือว่าเสียใจร้องไห้ฟูมไฟอะไรเธอก็แปลกใจว่าทำไมถึงอรู้สึกเช่นรู้ทำใจแบบนั้นได้เมื่อได้ฟังข่าวร้ายแบบนั้นลงมาอักพบินมาถึงเมืองไทยก็มีเพื่อนๆมาต้อนรับมา มาให้กำลังใจามาปลอบโยน เ, เพื่อนส่วนใหญ่ก็รู้จักสามยังเธอด้วยนะก็ร้องหอม่มร้องไห้กันแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกร้องห่มร้องไห้แบบเขาก็ทำใจได้เป็นปกติแต่ว่ามันก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะระหว่างที่ไปรับศพที่ โรงพยบาบาลก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมามาแสดงตัวแล้วก็บอกว่าเนี่ยสามีเธอไปหัวใจวายที่บ้านของเธอเพื่อนก็ถามว่าเป็นลูกค้านะเป็นอะไรหรือเปล่าก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิน้นบอกเป็นเพื่อ น, นี่ เป็นเพื่อรู้จักกมัม น, นานฟังถามไปถามมาก็เลยเดาได้ว่าก็าเป็นเมียน้อยนะของสามีตอนนั้นนี่เกิดความโกรธมากเลยนะไม่เคยและแค่รักคายมาก่อนเลยไม่เคยและแค่รักคา่ว่ า, าสามีจะมีผู้หญิงอื่น ความโกรธความรู้สึกเสียใจความรู้สึกถูกทรยศมันเรียกว่าพุ่งขึ้นมาเลยแต่เธอก็ดูมันนะดูมันระหว่างที่คุยกับผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้แสดงอาการก้าวร้าวหรือว่าโวยวายอะไรผู้หญิงคนนั้นสื่อนี่กับนะรู้สึกร้องเสียใจนะเสียใจที่สามีเธอตาย แต่เธอกับสงบนิ่งก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะเธอเก็บอกว่านี่ยรู้สึกแปลกใจทาไมทำไมถึงไม่อรารวานะสใส่ผู้หญิงคนนั้นหรือว่าหรือว่ า, าแสงความโกรธเคืองความกลวมันมีความรู้สึกเสียใจมันมีความรู้สึกถูกทอยือถักหลังมันก็มีนะแต่ว่าก็ดูวนไป โดยห่ามันสงบลงวันุ่ขึ้นงานศพรดน้ำศพเนี่ยลัุ่งงานศพเนี่ยลดน้ำศพเป็นวันนั้นวันต่อมาก็งานศพน้องสะพ้ายก็เล่าว่าไปเอารถของพี่ชายจากบ้านผู้หญิงคนเนี้ยจากบ้านพ่อเมียน้อย แล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าได้สนทนาอะไรกันมาบ้างเธอก็เห็นความโกรธมันขึ้นมาเองนะแล้วก็รู้สึกอยากจะพูด ก, กับน้องสะพ้ายว่าไม่ต้องเล่าแล้วที่จริงคนที่มีสมานสำนึกมันก็ไม่ควรจะเล่านะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องดีอะไรที่จะมาเล่าให้ผู้หีิคนหนึ่งฟังว่า เมีน้อยของสา ม, มีนี่เขาพูดอะไรมันไม่ควรจะเล่าอยู่แล้วโดยเพราคนที่เพิ่งสูญเสียสา ม, มีแล้วมาเล่าอีกว่าอะสา ม, มีอ่ะไปมีเมียน้อยไปอยู่กันยังไงผู้หญิงตรงน้องสะพายคงอยากจะอวดนังว่าตัวเองได้มีข้อมูลอะไรบ้างคนเราพอมีข้อมูลใหม่ก็อยากจะมา อยากจะมาเล่าว่าได้รู้อะไรมาบ้างมันเป็นมันมันอยากจะโชว์มันเป็นเรื่องอัตตาเลยนะเป็นเรื่องออัตตาที่อยากจะโชว์อยากจะแสดงว่าฉันรู้อะไรมาบ้างฉันรู้ข้อมูลใหม่อะไรต่า ง, างๆมากมายแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้นึกถึงหัวใจของอีกคนหนึ่งนะที่เขาได้ฟังเรื่องราวซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องดีเลยแต่เพื่อนอนที่เป็นพนัก ง, งานการบินเขา ก, ก็ก็ฟังนะแม้ ใ, ใจมันจะพูดว่าหยุดหยุดบุคคลใแล้วก็ฟังไปก็นิ่งฟังดูใจไปด้วยเห็นใจที่มันพุ่งพลาหนใจที่มันเราว่า ก็เพิ่มขึ้นมาเธอก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่คิดว่าจะจะทำได้นะคือตัวเธอก็สนใจเรื่องปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติธรรมไม่ถึงกับจริงจังแต่ว่าก็ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็สนใจเรื่องการเตรียมตัวตาย เป็นเจ้าภาพจัดอบรมปรชการสงบมาหลายครั้งชวนเพื่อนเพื่อนไท ย, ไทยอินเตอร์หรืางงานการบินไทยให้มาร่วมอบรมแต่สามีเธอก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เป็นโปรที่ว่าเมืออคนทั่วไป มาส่งภรรยาแล้วก็สี่สามสี่วันต่อมาก็มารับไม่ได้สนใจเรื่องนี้อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะไอ้คนที่ไม่สนใจอาจจะเพราะว่าฉันยังยังไม่ยังอายุไม่มากอายุแค่ห้าสิบคงไม่รีบตายหรอก เลอจะไม่สนใจว่าความตายมันจะน่ากลัวอะไระวันดีคืนดีก็ตายซะแล้วตายก็ทันหันด้วยไม่ทันสั่งเสียอะไรหัวใจวายทรัพย์สมบัติต่างๆที่มีก็ไม่ทันจัดแจงแบ่งสรรก็ไปซะแล้ว แต่ว่าเธอก็ได้เห็นนะว่าเออไอสิ่งที่ได้ได้ฝึกฝนได้ปฏิบัติมานี่มันมันช่วยได้จริงจริงะมันทำให้ยอมรับกับความสูญเสียพัดพลากได้โดยที่ไม่ได้ผูมิฝ่คร่ำคร่ำครวนแล้วก็ยังไม่ต้องเจอข่าวร้ายซ้ำสองว่าพ่าผัวนี่มีเมียน้อย โดยที่ไม่เคยล้วแค่รักคามาก่อ น, น, นแถนไปตายที่นั่นซะด้วยนะไปตายวันเดียวกับที่เธอออกบินเลยนะพูง่ะอว่ข อ, ขอเธอออกบินนะนะผัวนี่ก็ออกจากบ้านไปอยู่นะกับบ้านผู้หญิงเลยแล้วก็ความตายมันก็ทาให้มันก็เป็นการฟ้องไปในตัว ถ้าไปตายเชื่อื่นนี่ก็เรื่องนี้ก็อาจจะเป็นความรับต่อไปแต่ว่าดันไปตายในบ้านมีน้อยนะมันก็เลยความก็เลยแตกแต่คนที่คนที่น่าจะทุกข์มากที่สุดนะก็น่าจะเป็นภรรยาแต่กลับตั้งสติได้ ทางทิรสัวตัวเองนี้ถูกทรยศนะถูกถูกหลอกลวงอันนี้มันก็ชี้เห็นนะว่าคนรานี่ถากว่าได้ฝุกจิตฝึกใจเอาไว้นะเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว หรือถึงม่จะตั้งตัวกรเถอะนะถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความสูญเสียพลาดพราดนี่ก็ทาใจยากเหมือนกันอย่างบางคนนี่ก็รู้นะว่าคนรังนี่เป็นมะเร็งแล้วก็กาลังจะตายก็รู้ว่าโอกาสตายนี่นี่มากและยิ่งนานมันก็รู้ว่าเนี่ยตายแน่แต่ไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่ แล้วคันถึงเวลาที่เขาตายจริงๆก็ยังทำใจไม่ได้ทั้งที่มีเวลาเตรียมใจอยู่นานหลายเดือนแต่กรณีของเพื่อนคนนี้นี่ว่ามันมาแบบไม่ทันรู้ตัวเลยจู่ๆเข้ามาเหมือนกับพายุที่ซัดกระห น, นำํำแต่ว่าใจนี่ก็สงบนิ่ง อันนี้ถ้าเปรียบต้นไม้ก็เหมือนกับต้นไม้ที่มันมีรากลึกนะมีรากลึกเจอพายุซัด ก, กันหนังเข้าไปมันก็ต้นไม้ก็ไม่ไม่ถึงกับถูกถอนรากถอนโคนนะอาจจะสะเทือนแต่ก็ตั้งหลักได้กลับมาเป็นปกติได้อเจอความสูญเสียของสามี มันนี่มันจริงๆแล้วยังไม่หนักนะเท่ากับพบว่าภาษ า, ามีทรยศ์เนี่ยเจอความเสียงส า, สานมีเมื่อเกิดความเศร้ายิ่งมากก็เศร้าแต่ว่าถ้ารูว่าคู่ร่างนี่ทรยศ์นี่มันมันโกรธเลยนะไอ้ความโกรธนี่มันมันมันบั่นทอนบีกคั้นกรีดกรีดแทงจิตใจยิ่งความเศร้าอีก ความเศร้านี่มันก็มันก็หนักอยู่แล้วนะเจอความโกรธก็ไปซ้ำอีกนี่หรือความพยาบาทแต่ว่าอสองอารมณ์นี่มันก็ทำอะไรเธอไม่ได้ไม่ใช่ว่าไมนะ่มีนะมันมีมันขึ้นมาพอเป็นปุถุชนนะพอพอตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงนะรับรู้ข่าวสารเรื่องราว ใจมันก็เพิ่มอันนี้ก็พูดไปแล้วเมื่อวานนะว่ามันมันไม่ใช่ว่าตากรทบรูหรวอเสี้ยงเสือแล้วนี่มันจะมันจะทุกทันทีนะมันมีมันก็มีการปรุงแต่งมีการปรุงแต่งมีการตีค่าว่าอย่างงี้ดีอย่างงี้ไม่ดีมีความชอบความชังเป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็พอสิ่งที่ชังมัน เกิดขึ้นหรือรับรู้ได้ยินได้เห็นนี่มันก็ปรุงต่อให้เกิดความโกรธปรุงต่อทำให้เกิดความเศร้าแต่ว่าถึงแม่ว่าเผลอไปแล้วนะปล่อยให้ความปรุงแต่งเกิดขึ้นจนกระทั่งโกรธจนกระทั่งเศร้าแต่เธอสติยังตามทัน ตามทางที่้มามารู้ไอตอนที่มันโกรธมันเศร้าให้การที่คนเรามจะมีสติมันก็ทำได้หลายหลายขั้นตอนนะขั้นตอนที่เกิดผัก ส, สะขั้นตอนที่เกิดเวทนาคือพอมีสติรู้แล้วมันไม่ปรุงมีเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ปรุงก็เห็นว่าเออสมมติว่าเกิดเวทนาทางกายก็เห็น เบีธาทางกายปวดแต่ว่าไม่ปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ปวดใจมันก็ไม่ปวดด้วยมันมีแต่ความปวดกายแต่ว่าบางครั้งเราบ่อยครั้งคนลําก็ไม่มีสติทันมันก็ไม่ใช่กายปวดอย่างเดียวมันรู้สึกกูปวดด้วยก็คือใจนี่มันทุกข์แต่ก็ยัง มีสติในขั้นนี้ได้นะก็คือว่าเห็นใจมันทุกข์นะไม่ปรุงต่อว่ากูทุกข์กูทุกข์กูทุกข์อย่างเพื่อนคนนี้ก็ก็ก็เผลอให้ความโกรธความอาฆาตเพียบความความความเศร้ามันเกิดขึ้นแต่เรื่อมีสติทันดูมัน mm hmm. เห็นมันพุ่งมันพล่านขึ้นมา แล้วก็สงบลงมันก็ต้องสงบลงนะถ้าหากว่าไม่ไปปรุมต่อเนี่ยเหมือนกับไฟที่มันลุกแล้วถ้าไม่เติมเชื้อเติมฟืนเนี่ยมันมันก็ดับไปเองอันนี้มันเป็นธรรมชาติตเธอเองก็ก็อย่ารัแปลกใจว่าเจอเรื่องเจอข่าวร้ายนะสองระรอกนะ แต่ว่าก็ก็ยังไม่ได้เสียศูนย์หรือไม่ได้คร่ำครวโวยวายหรือตีโพยตีพายอะไรก็ยังแปลกใจตัวเองแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่านี่เป็นเพราะกดขบหรือเปล่าก็คงต้องดูต่อไปดูต่อไปว่าเดี๋ยวเออมันมันจะโผล่มาตอนไหนบางทีพอ เสร็จงานแล้วก็มันก็ จ, จะโผล่ขึ้นมาก็ได้หลายคนก็เป็นอย่างนั้นตอนที่สูญเสียคนรอนนี่ก็ไม่ได้ร้องห h o ร้องไห้เสียใจอา จ, จเลยเพราะว่ากําลังขนขวายนะจัดงานศพนะมันจิตใจมันไม่วุ่นใจมันไม่ว่างใจไม่ว่างพอที่จะความความโศกความเศร้าจะเข้ามาครอบงำไอ้ของวันนี้มันจะ มันจะเข้ามาได้ใจก็ต้องว่างก่อนนะเช่นเดียวความสุขความสุขจะเข้ามาในใจได้มันก็ต้องว่างกินของอร่อยฟังเพลงเพราะแต่ว่าถ้าใจกำลังกังวลวิตกเรื่องงานห่วงเรื่องลูกเนี่ยความสุขมันเข้ามาในใจิตใจไม่ได้ในทองเดีกันเวลา เ, ลา เ, ลาเกิดความส่วนเสพพัดพลาดแต่ว่าใจมันต้องสารวนอยู่ครับ การเตรียมงานศพนะการจัดการเรื่องมรดกนะวิ่งเต้นเรื่องทำมรณะบัตรนะวิ่งเต้นเรื่องการทําหนังสืองานศพอนุสร์แจกงานศพสารพัดมันไม่ว่างพอที่จะให้ความโศกความเศร้าหรือวความโกรธความแค้นนี้เข้ามาได้นะจนกระทังพอเสร็จเรื่องเสร็จลาไปแล้วกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ แต่ที่เปลี่ยนแปลงไปคือคนที่เคยคุ้นเคยไม่อยู่หายไปตอนนี้นาความเศร้านี่ก็ถาโถมเข้ามาก็เป็นได้หลายคนก็เป็นอย่างนั้นหรือว่าจะมีความแค้นเคืองนะเข้ามาเล่นงานก็ได้อย่างที่เคยเล่ามีคนหนึ่งที่พบว่าสามีนอกใจอยู่กันมาสิบปีสิบกว่าปีนะเคย ่อทุ่มเทนะทุกอย่างให้กับชีวิตคู่แล้วพอรู้ว่าสามีนี่เป็นอย่างนี้นี่โกรธมากจงกระทั่งเลิกกันก่อนจะกลัวก็ดา่ดาด่าด่าอยู่ด่ากันอยู่พักใหญ่เลิกกันในตอนที่เลิกกันคิดว่าจะทำไม่ได้ทำใจไม่ได้พราะว่าไม่มีอะไรนะทำใจได้สงบนะ แต่ว่าพอผ่านไปไม่นานไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมเท่านั้นแหละความกรัวนี่ไม่รู้แม่ไหนโกรธทั้งวันคิดใจเรื่องสามีที่ทรยศหักหลังแค้นเดินจงกลมก็ไม่สงบนั่งก็ไม่สงบสามวันก็ยังไม่สงบก็เลยรู้ว่าเออเราก็ไม่ได้แน่มันเพียงแต่ว่า ให้ความโกรธนี่มันมันไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาครอบงาใจนะเพราะว่าตอนที่อยากกันใหม่ๆก็ทํามันต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีงา น, ม, งานมีการอะไรทําสารพัดมันไม่ว่างที่จะคิดแต่พอลางงานมาปฏิบัติทําเอาแล้วเนี่ยปฏิบัติทํานี่มันจะไปไม่มีมันไปคุยกับใครก็ไม่ได้ ไม่มีนังให้ดูไม่มีเพลงให้ฟังไม่มีงานให้ทําจิตมันก็ว่างมันก็คว้างคราวนี่แหละความโกรธต่างๆเข้ามาเข้ามาแล้วงานก็ปรุงต่อเลยนะพอเข้ามาแล้วก็ลืมตัวก็ปรุงต่อมารู้ตัวตอนที่เดินจงกรมแล้วแล้วห ล, หลังจากที่เดินไปชั่วโมงแล้วมือมันเมื่อยนะ มือที่กลุมไว้มันเมื่อยก็ปล่อยมือพอปล่อยมือนี่มันสบายพระกอบไอ้ความทุกข์ที่มันเกาะกุ้มใจมันก็หลุดไปด้วยพอตอนนั้นมันได้คิดแล้วไอ้ทุกข์พอยาึดแท้ๆนะทุกข์พยึดพอปล่อยมันก็สบายมันได้คิดตอนที่ปล่อยมือเนี่แล้วสบายก็เลยได้คิดได้เห็นเลยว่าโอ้ที่เราทุกข์ใจนี่เพราะเราไปยึดเอาไว้ไปยึดตัวเรื่องอะไรไปยึดเรื่องที่มันผ่านไปแล้ว นะพอพอรู้ตัวเนี่ยพอมีสติรู้ตัวนั่นแหละมันปล่อยเลยนะปล่อยปล่อยเรื่องของสามีออกไปเลยอันนี้มันเห็นเลยนะว่าคนเราเนี่ยทุกข์เพราะไม่รู้ตัวนม่รู้เพราะความเศร้าหรือพความโกรธแล้วก็พอไม่รู้ตัวแล้วมันเป็นไงมันก็ไปแบกเอาไว้ไปแบกเอาไว้ แบกอะไรเรื่องที่มันผ่านไปแล้วนะเรื่องที่ทำให้เจ็บช้ำ น, น้ำใจก็ไปแบกมันเอาไว้ถามว่าแบกแล้วทุกไมทุกร้อนแต่ทำไมยังแบกก็เพราะไม่รู้ตัวนะคำว่ารู้นี่นะสําคัญมากนะขั้นแรกคือรู้ตัวนะรู้ตัวถ้ารู้ตัวแล้วมันไม่แบกนะ แล้วมือไม่แบมก็ไม่ทุกไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความเศร้าหรือว่าความโกรธแต่ทันทีที่รู้ตัวปุ๊บนี่มันมันวางเลยมันปล่อยเลยแล้วพอปล่อยแล้วเกิดอะไรขึ้นสบายเหมือนกับมือที่มันกลุ้มเอาไว้เนี่ยนะ จริงจริงมือที่กลุมเอาไว้เนี่ยก็มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้หนักอะไรนะตอนที่กลุมเอาไว้แต่ว่ากลุมไปนานานานี่มันกลายเป็นหนักขึ้นมาหลายคนก็ไม่รู้ตัวนะเพราะใจลอยแต่สักพักความความปวดความเมื่อมันจะมามันจะมาเตือนให้ให้รู้ แล้วถ้าหากว่ามีสติรู้ทันก็ปล่อยปล่อยมือกายก็สบายไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นช่องให้สติเนี่ยเข้ามาทำงานคือได้คิดเลยว่าโอ้ไอ้ทุกข์พอแบกนะทุกข์ใจก็แบกพอรู้ตั ว, วแบกนะมันปล่อยเลย รู้ตัวนี่มันทำให้ปล่อยวางความทุกข์ไปได้แต่เป็นความเป็นการปล่อยวางเพียงแค่ชูครั้งชูคราวเผลอใหม่ก็แบกอีกแต่ว่าถ้าเรารู้ทมนี่มันมันวางไปได้ตลอดกาลเลยนะรู้ตัวนี่มันคือรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้ารู้ทมนี่นะ คือเห็นความจริงเรื่องเห็นความเข้าใจ ม, มีความเข้าใจแจ่มแจ้งเรื่องไฟละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ไม่รู้อย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ยึดเมื่อไม่ยึดนี่ความสูญเสียพัดผ้ า, พาพก็ทำอะไรไม่ได้ไอ้คนเราที่เสียใจกุมใจเพราะมีมความยึดเอาไว้ว่าเป็นเราเป็นของเรา ความสูญเสียจะไปเกิดขึ้นกับคนอื่นเกิดกับทรัพย์สมบัติของคนอื่นนี้เราไม่ทุกขนะ์นะระเบิดตายกันที่ปารีสนี่ร้อยกว่าศพนี่เราที่ยังก็ตกใจนะแต่ว่าอาจจะมีความเสียใจเห็นใจบ้างแต่มันไม่ถึงมันไม่ถึงกับทุกข์เศร้าโศกเพ อ, พอาะอะไรเพราะไอ้สิ่งที่สูญเสียนะั้นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่คนรักไม่ใช่คนรักของเราแฟนของเราสมบัติที่พังพินาก็ไม่ใช่ของเราแต่อะไรก็ตามที่เป็นของเรานี่นม้แต่เพียงเล็กน้อยนะเอเงินหายหรือว่าปวดหูวปวดท้องแค่นี้มันก็ทุกข์แล้วละ่ะเพราะไปยึดเป็นของเราของเราอันนี้ล่ะเพราะความหลงนะึงยึดเอาไว้ แต่ถ้ารู้ทานี่มันมันปล่อยเลยนะหรือเพียงแค่รู้ว่าอะไรอะรก็ไม่เที่ยงอย่างเพื่อนคนนี้แกก็แกก็รู้ทาระดับหนึ่งนะได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็เคยมาแล้วก็ได้ได้เตือนใจแล้วรู้ถึงความตายเสมอแล้วรู้ถึงว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยไม่มีอะไรที่เรายึดมั่นถือมั่นหรือควบคุมบังคับบัญชาได้ รู้ทำแบบนี้พอเกิดความพัดพาสูญเสียขึ้นหรือว่าเกิดพบ ว, ว่าสามีเนี่ยนอกใจมันก็ทำให้ทำให้ใจนี่เป็นปกติได้แม้ว่าช่วงแรกๆใจมันจะกระเพื่อมด้วยความเศร้าด้วยความโกรธแต่ก็รู้ตัวพอรู้ตัวปุ๊นี่มันก็ทำอะไรไม่ได้ ไม้รู้ตัวก็รู้ทำนี่มันมันมันเกื้อกูลกันนะเพรารู้ตัวนี่มันทาให้เห็นธรรมเมื่อรู้ตัวเราก็จะเห็นนารมณ์ความคิดทีแรกก็เห็นว่ามันมันมาแล้วก็จากไปไม่เที่ยงแต่ต่อไปก็จะเห็นเพิ่มว่าเออมันมันมาได้อย่างไรมันจากไปได้อย่างไรมันมีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วตรงนี้แหละที่เรกว่าเห็นธรรมในธรรมนะ ในตอนแรกเห็นจิตในใจก็คือเห็นเพียงแค่ว่ามันมีอยู่เห็นว่ามันมาเห็นว่ามันไปเห็นว่ามันมีอยู่เห็นว่ามันดับไปเห็นแค่นั้นแต่พอรู้ธรรมเห็นธรรมในธรรมนี่ก็เห็นว่ามันมาได้อย่างไรมันจากไปอย่างไรแล้วก็เห็นต่อไปว่าจะป้องกันไม่ให้มัน เกิดขึ้นได้อย่างไรนะหรือจะทำให้มันจากไปได้อย่างไรส่วนไอท้ทาส่วนดีๆที่มันเป็นกุศลธรรมก็เห็นว่าเออจะทําให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรป้องกันไม่ให้มันดับไปได้อย่างไรจะรักษามันได้อย่างไรอันนี้เป็นการเห็นรายละเอียดนะถือว่าเห็นถือว่ารู้ธรรมเนี่ย รู้จกนกระทังเห็นว่าโอ้ทั้งตทั้งตัวนี่มันก็มีแต่แค่รูปนามกายใจขันห้าไม่เที่ยงเห็นว่าสิ่งที่มีนะัน้นมันก็ยึดมันถือมันอะไรไม่ได้สักอย่างเห็นทำไหนทำก็รู้ทำแต่จะรู้ทำได้นก็ต้องเห็นสิ่งที่มันง่ายๆก่อน เห็นกายในกายเห็นจิตในจิตก็คือรู้กายรู้ใจหรือว่ารู้ตัวเมื่ออารมณ์ความคิดเกิดขึ้นพอรู้ตัวมันพอพอรู้แล้วมันมันวางพอวางแล้วเนี่ยก็กลับมารู้สึกตัวใจใจมันกลับมาอยู่กันน้กกับตัวใ้เรื่องการฝึกนี่สำคัญมากนะเพราะว่าถ้าเอาแต่ใส่บาตร ท, ทาบุญ มันไม่พอนะพอเจอเรื่องพวกนี้เข้าไปใจไม่ได้ฝึกฝนมาในเรื่องนี้นะมันก็เสียสูญได้ง่ายก็ไปจมอยู่ในความเศร้าแบกความเศร้าเอาไว้นะแบกความโกรธเอาไว้ทุกข์ก็ทุกข์แต่ว่าปล่อยวางไม่ได้เพราะไม่รู้ตัวแต่พอรู้ตัวมีสติขึ้นมามัน มันรู้เลยว่าแบกไปทำไมมันปล่อยไปทันทีเลยอันนี้ก็ก็เป็นานิสงนางการได้ฝึกปฏิบัตินะเพราะว่ามันทำให้สามารถที่จะรับมือกับ หหลายต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วความทุกข์นี่มันไม่ได้อยู่แต่เบื้องหน้าแนละ้ววันดีคืนนี้มันก็มาถึงตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราเรารู้ตัวเรารู้ธรรมนะมันก็วางได้มันก็แล้วก็สมารถใจปกติได้ระเบิดก็ด้าน ระเบิดก็ด้านาคนเรานี่ ม, นมีระเบิดเวลานะอยู่กับตัวนี่ทั้งชีวิตนี่หลายลูกทีเดียวนะลูกสุดท้ายคือลูกถ้าระเบิดเมื่อไหร่ก็ตายเลยนะลูกก่อนนั้นๆก็เป็นความพัดพาสูญเสียหนักบ้างเบาบ้างกามเกิดความปวยก็เป็นลูกระเบิดเหมือนกัน แต่ว่ามันก็ด้านได้นะถ้าเกิดว่ามีสติมีมีสติรู้ว่าเห็นธรรมมีการฝึกฝนจัดเตรียมว่าพอเจ็บป่วยขึ้นมาเออมันป่วยกายใจไม่ป่วยพอสูญเสียมันก็สูญเสียแต่สิ่งภายนอกแต่ว่าข้างในไม่เสียสูญอันนี้เรื่องระเบิดมันด้านในทางเวลาตายมันก็ตายแต่มันมีแต่กาย กับจิต ท, ที่มันแตกดับไปนะแต่ว่าความทุกข์ไม่สามารถครอบ ง, งาใจได้อันนี้ก็เร่าระเบิดมันด้าเหมือนกันอ้าวชาลีพูดเท่านี้ น, นะครับ